จำนำพันษาถวายสังฆทานก้าวป่าอาหารประจุจตุปใจเชียทานต่างๆแก่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นจำนวนมากในวันนี้คอยท่านนักลายได้อยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังให้ความเคารพเอื้อเฟื้อต่อธรรมตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความเคารพ เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจในการดำเนินวิถีชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาเสืรอต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจเพึงมีในวันนี้เมื่อกี้นี้ท่านนางร้ายได้ฟังหมู่พระสององค์ขสา ม, มนเนรน ในสวดบทพระธรรมอันเป็นบุาพพา่าเบื้องต้นแหง่งพระธรรมเทศนาธรรมกิขนีจบลงไปพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดทั้งสามมณีใน น, น, น้อยทางหลายในสวดเป็นคณะสาธยายบทพระธรรมแปลาจากบาลีมาโ่ภาษาไทยในเรื่องอริยธนคถา วันนี้อจะมาภาผูกเป็นตัวแทนของคณะสองทั้งหมดในที่นี่ก็ข อ, ขอถือโอกาสนี้กล่าวอธิบายขยายเนือ้อความชี้แจงแถลงไขให้ท่านนักล้าได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเนื้อถ้อยกระท่งความอันเป็นหลัก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 ในพื้นแผ่นดินที่ราบสูงเมืองอีสานตลอดสองฝ้าฝัา่งโค้งตลอดทั้งประเทศไทยทั้งประเทศและประเทศลาวไอ้นองของเราพวกบุญข่าวสาฤๅชะลาข้าพ บ, บุญข่าวประดับดินกะดีตลอดทั้งบุญออกพรรษาเข่าพรฟ้าบุญกาทินบุญพระเวสสันดร วันเข้าพัรษาวันออกพรรษาวันเข้าสาขาประดับดินนี้ภาคอีสานของเราประเทศราวของเรานั้นไม่ต้องตีเกาะเคาะหไม้ไม่ต้องประชุมชาวบ้านก็รู้เองที่รู้เองนี่พราะถือว่าเป็นนิสัยที่สืบทอดมากลายเป็นประเพณีเป็นขนกธรรมเนียมจากพ่อแม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรามาเลยแต่ที่เราควรจะได้เข้าใจกันให้มากมากขึ้น วันนี้เป็นวันออกพรรษาวันมหาปวารณาร่างายอาจจะเข้าใจบ้างแล้วก็มีหรื อ, อยังไม่เข้าใจก็มีวันออกพรรษานี่เราควรจะทำอย่างไรกันบ้างสำหรับหน้าที่ของพระออกพรรษานี่ไม่ใช่เป็นวันปลดปล่อยอิสรภาพอะไรเหมือนที่เราเข้าใจ สำหรับผู้ที่ไม่มีศรัทธานั้งก็คงคอยรอคอยวันเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้าเมื่อไรจะออกพรรษาสีพระหนุมเน้นน้อยบางคนตั้งอกตั้งใจจะศึกมาตั้งแต่ยังไม่บวชจะเอาพรรษาเดียวก็เลยไม่ได้มีศรัทธาเท่าที่ควรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติสินสมาธิปัญญาเจริญเมตตาภาวนาสมาธิสมถะวิปัสนาอะไรก็ไม่ได้คิด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 จนจะออกพันสาเสียงจุดประทัดเสียงจุดบังกะโป๊ะบ้านเราเรียกว่าบังกะโป๊แหว่ดังสนั่นวันไว้หูดับดับไมตั้งแต่ในว่านในวัดนางนางเข้าสามมณีน้อยๆได้เงินข้าบังสกุลอะไรมาที่ไหนเข้าไปได้บ้านไตซื้อประทัดจุดกันสนั่นวันไว้พ่อค้าที่ขายประทัดก็เลยได้เงินกันไปในหน้านี่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 ทำไมคนไทยต้องมาจุดไอ้ น, นี่คี้แรกแกันึกปอาปืนนะการคืนมาอี่เลือยๆสิบกว่าวันจะออกฟันซาสิบยี่สิบวันนั่นแหละทำกันมาตั้งแต่เนิ่นๆ เ, เสียงจุดประทัดกันส้า น, นันกุฏิของเราเป็นกระท่อมไหม่มีฝาเสียงที่ไหนดังมาก็าได้ยินหมดเช้ามาสามเณรมาถามชอาเลยท่านอาจารย์ได้ยินไหมม เมื่อคืนนี้เขายิงอะไรโยกใกล้นี้แต่น้นวันไว้ไปหมดแล้วยิงทุกวันเขาบอกเคลซี่ฝรังบอกเคลซี่มันบ้าที่สุดเลยผมไม่เข้าใจว่า I know understand v e r y c r a เคลซีาไม่เข้าใจมันมับ้ากันหมดแล้วอะไรเงี้ยอาตมาก่อนนึกค้ำอยู่เมืนอแต่วันนี้คือความไม่เข้าใจฝรังไม่เข้าใจคนไทย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 ตองบังคับใจได้จึงเป็นไทยแท้ในทางพุทธศาสนาไทยแปลว่าไม่มีใครมาเป็นนายไม่มีกิเลสมาเป็นนายในหัวใจบ้านเราเมืองเราต้องการจะเป็นนีกเกอจะถูกนกพอเราเป็นทาตเรายังไม่เป็นไทยเราเป็นทาตของความเช้นแก่ตัวเป็นทาตของความอยากเป็นทาตของความต้องการมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นแหละ ในวันจะออกพรรษาก่อเป็นทาตของกิเลสรอคอยให้หมดวันเปล่าบังกระพกมาจุดกันแต่ก่อนโน่นมันยังไม่เจริญก้าวหน้าพระสององค์เจ้านี่แหละเป็นหัวหน้าพาชาวบ้านตําซื้อพวกหาดินประสิวมาซื้อมาซื้อกำรร ม, มาทันมามาเห็ดหมื่เห็ดขี้กียเอามาตามเนนน้อยอยู่ที่ไหนไปหาลำปอมาเผา หาไม้มาเผาถ่านแล้วก็เอามาตากดีๆมาคั่วใส่กันกระพวกกรรมฐานแล้วก็มาต้าเป็นพลังงานแม้มาตําให้แตกให้ปนปี้แล้วก็ตากหลังจากนั้นก็เอามาไปีเข้าไปต่อเข้าไปมาเป็นบั้งกระโพกไงไปเอาไม้ไผ่มาหลอกออกเตียวมาบิดมาทําชะนะขันวันออกพันษาบ้า อ, อย่าขู่เป็นหัวหน้าจูดบั้งกระโพกทึ้มประชันจูดเห็นยังห่ะ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 ไม่ซูบุหรี่ไม่กินเหล้าทั้งพรรษาแหมนี่มันตั้งสามเดือนเก้าสิบกว่าวันแล้วมันก็เก่งมาพอสมควรน่าจะเก่งต่อไปแต่เสร็จแล้วพอออกปรรษาได้ยินเสียงสัญญาณทึม่มโอโ้โหออกปรรษาแล้วจะได้กินเหล้าจะได้สูบยาจะได้สมเมลเลเทมเมาอีกละโว้ยนี่อะไรนี่ไม่ใช่ความเป็นไทยนี่มันเป็นธาตุแท้ของกีเลสเก้าสิบันชนะได้ก็น่าจะชนะขาดร้อยต่อไปนี่เหมือนกับสอบตก ไม่ได้สักทียิงอบพรรษาวันแรกกินใหญ่เลยเพราะว่ากินชดเฉยเก้าสิบวันที่ไม่ได้กินลักษณะเช่นนี้และเราจึงได้ยินเสียงจุดประคัดเตียงอะไรต่ออะไรเพื่อประกาศอิสรภาพนี่มองในแง่นี้ความจริงลักษณะเช่นนี้ไม่จําเป็นอะไรต้องไปซื้อมาจุดมาเผาก่อความโกละหุนวุ่นวายตกอกตกใจเผาเงินบ่าทองอะไรต่ออะไรกัน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 โยมปวารณาวันเขา้าพรรษาเปิดโอกาสให้พระได้ขอจตปจุปัจจัยทานปัจเจศีอันสมควรแก่สมัญาสารูปสิ่งใดจําเป็นแก่ท่านในพรรษานี้ท่านไม่สามารถกลับไปหาญาติพี่น้องที่อื่นได้ท่านจะต้องนอนประจำอยู่ในวัดก็ผมขอที่โอกาสนี้เปิดโอกาสให้ท่านมาขอสิ่งของที่จําเป็นแก่สมัญสารูปพระจึงขอได้เพราะความจริงพระจะไปขอสุ่มสี่สุมห้ากับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาไม่ได้เปิดโอกาสให้ไม่ได้ ตออาบัตดเดี๋ยวนี้ถือบาดถือซองอะไรไปเที่ยวแจกมั่วไปหมดไม่ทราบว่าเขาจะให้หรือไม่ให้พระพุทญเจ้าทัดปรับอาบัดไปขอสมสี่สมหะกับชาวบ้านไว้เข้าใจไว้อย่างนิสกอนพูดแล้วก็เวโลเขมีนะยาโกรธเครืองกันสําหรับท่านที่กําลังทําอยู่ว่าะว่าท่ันสมภพเนี่ยมีดาดาไม่ใช่ดารักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฟุงรักศาสนารักความมั่นคงรักความถูกต้องท่านที่ดีก็มีเยอะ ที่นิยมก็เหมือนกันโยมเข้าปวารณาต่อพระในวันเข้าพรรษาแต่วันออกพรรษานี่ไม่ใช่วันจูดบังกับโขกแต่เป็นวันที่พระจะสงบปากสงบคําสัญญาปิดปากพระมีเท่าไหร่รวมกันอยู่ในวันหรือที่อื่นจะมารวมกันบ้างก็ได้แล้วก็ทําไหวพระสวดมนต์เสร็จประกาศบุพภกิกข์แห่งการปรวารณาแล้วก็ยัตติประกาศปวารณาสงฆ์ทั้งพร้อมแล้วในหัตถบาปนี้ ในมณฑล น, น, นี้บัดนี้ถึงเวลาแล้วท่านควรจะได้ปวารณากันได้แล้วเปิดโอกาสว่ากล่าวตักเตือนเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่ก็ลุกขึ้นนั่งกลาบประวุทธรูปแล้วก็นั่งกระย่งเท้าพนมมือประกาศต่อสองก่อนเลยสังคำพันเตสังคำมักโซปวาเลมิิเทนวาสุเตนวา ภริสังใจวาววะทันตุมังานุกัมปังอุปัฏายะสันโตปฏิฎกฤษสามิท่านผู้เดิญทั้งหลายกับผมขอประกาศเปิดโอกาสต่อท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้ว่ากล่าวตักเตือนสิ่งใดที่ผมไม่ดีไม่งามท่านได้เห็นท่านได้ยินท่านได้ฟังใดรังเกียจได้สงสัย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 วันแห่งความที่ไปมีการทะเลาะนิธิรังประวัติตรังยังประเสวชทัศสินนานิแกวาทิงเมธาวิงจันทร์โสบันทิตาพระเชเมื่อ คบกับบัณฑิตผู้ว่ากล่าวตักเตือนชี้โทษแล้วชี้โทษอีกพึงรู้เถิดว่าเปรียบสเสมือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้พระพุทธเจ้าท่านบอกเราจะบอกขุมทรัพย์คือความถูกต้องให้แก่กันและกันทรัพย์ที่นี่หมายถึงความถูกต้องความดีงามความมั่นคงในจิตในใจเรียกว่าอาริยทรัพย์ พระสงฆ์องคาท่านสวดเมื่อกี้อริยธรรณคาถ า, าอริยะแปะวะประเสริฐทานน่าแปลว่ะทรัพย์คาถาถ้อยคําอันบอกกล่าวเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องราวทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์มีอยู่สองทรัพย์ท่านฟ้าทุชนทั้งหลายทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกเงินทองข่าวของแก้วแหวนเรือนชานบ้านช่องรถราต่างๆที่เรามีอยู่มีใช้สะดวกสาบายนั่นเรียกว่าทรัพย์ภายนอก ส่วนทรัพยภายในได้แก่สรัทาความมั่นใจในการเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตในเหตุในพ้นในบาปปุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สิ้นความควบคุมกายวาจาของตอนเองให้ปกติไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ก่อความเดือดร้อนเพราะการกระทําการพูดของตอนเองให้แก่ตนเองให้แก่คนอื่นหีริโอตาปาวามบายชั่วเก่งกลัวต่อบาปสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ตองไม่ทําตั้งในที่รับและที่แจ้ง อย่างนี้พอหุสัจจะการเป็นผู้ได้สะดับตรับฟังศึกษาเรียนมามากในสิ่งที่มันถูกต่องดีงามรู้จักเลือกจากเฟนจาคะการเป็นผู้รู้จักสีสระตั้งแต่ข้องหยับยาภายนอก ให้จิตใจมันปลอดปล่ อ, ปองปล่อยวางตลอดถึงการเสียสละจิตใจความเพ็นแก่ตัวของตนเองความโกรธความเกียดความเขียดความชังที่อยู่ในใจสลักสละมันออกไปจากจิตจากใจปัญญารู้แจ้งสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงสภาพเป็นอยู่สภาพเป็นจริงแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเจตอันนิ่หรว่าอาริยสัพเป็นหัวหน้ามันอยู่ที่สัทธาเมื่อกี้นั้นเราพูดถึงเรื่องอริยสัพ เจว่าอริยธนกัตถาที่พระท่านสวดเมื่อกี้นี้นั่นรัพย์ภายนอกแก่แหวนเงินทองซัพย์ ส, สินเงินตานั้นนํามาซึ่งความสะดวกสบายทางตายภายนอกแต่ไม่สามารถจะซื้อเอาชีวิตไว้ได้ซื้อว่ามัดจุฬาฯหนีบ่เห็นแก่เงินคำเบนซิมี่เงินคือไทยเอาบ่มมี่ได้ซื้อ ว, วา่าคว่ำตายหนี่เปิงเป็นท่องโลกเคอจังไส่หมอดแหลวขวดนั้นบ่เห็นเศรษฐีคนมั่งมียาจกวนันในพกคนยากจน พระราชามหากษัตริย์ผู้ของแคว้นจกักรพรรดิสวมมงกุฎสม้มคราตาประดับเพชรทองคําก็จะต้องตายเหมือนคนขอทานหรือกบาลขอข้าวเมือนกันซับทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะซื้อเอาความสุขสู่หัวใจได้ซับทั้งหลายผ่านนอกไม่สามารถจะซื้อเอาความพ้นทุกความดับทุกในใจได้ยังเจงก็เพียงแต่บรรเทาทุกทางกายรับผ่านนอกซื้อความสะดวกสบายทางกายเรามีรถจนขี่ไปไหนก็ได้มีเครื่องบ ขี่ไปไหนก็สะรวกสบายดีกว่าเดินู่นในห้องแอร์ปรับอากาศมันก็ไม่ร้อนแต่จิตใจไม่สามารถจะเยือกเย็นได้ภายใต้ห้องแอร์ทราบภายในนั้นนำมาซึ่งความสกใจ ความสุขกับความสะดวกสบายคนละอันกันนั่งรถเก๋งติดแอร์มีตึกติดแอร์อยู่บานติดแอร์เลือกเย็นภายนอกแต่จิตใจเร่าร้อนเป็นนรกติดแอรก็ได้เป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในห้องแอรก็ได้ ตกนรลกติดแอจิตใจเลาร้อนอยู่ในห้องแอมี น, นี่มีสิลหรือกอเวรสร้างกรรมไปคดไปโกงบ้านเมืองใครมาก่อ ด, ดำต น, นเองก็เลาร้อนนึกถึงทีไยห ล, ยลังจากนั้นก็เป็นอสุรกายติดแออสุรกายแปลว่าโวมีความวาดวันไม่กล้าหันย่านตายเพราะความชั่วดีทําแล้วไปไหนมาไหนต่องจ่างมือปือนแห่เป็นสิบสิบคนในที่สุดยังถูกวางระเบิดตายถูกยิงตายบ้างนั่นอสุรกายติดแอ หลังอย่างนั้นยังเป็นซาเดลราชานติดแอร์มีความคิดขว้างต่อความเจริญของบ้านเมืองของชีวิตของสิลของธรรมอยู่ในห้องแอร์แล้วก็เป็นเปรตติดแอร์หิวอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศได้ร้อยล้านไม่พอต้องพันล้านต่อเมื่นล้านเพื่อจะขยายอาภิสิทธิพลอำนาจโอกาสบาตรธนากลายเป็นมหิตานุเปรตผู้หิวกะหายฤิ์อำนาจกลายเป็นบิมานิกะเปตผู้หิวอาหาอยู่ในวิมานกลายเป็นเปรตติดแอร์เพราะฉะนั้น ห้องแอร์ก็ดีเงินทองทั้งหลายที่สะดวกสบายไม่สามารถที่จะซื้อเอาความสงบความสุขเก็นคนไม่มีเงินมีทอง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 ไม่มีอะไรก่อนนอนรับสาบายไม่ได้กอลำําเข้นกอเวนสร้างกำนี่เรียกว่าซัดภายในไปในมาไหนสะดวกสาบายชื่นใจในการเป็นอยู่ในการไปมาแม้แต่จะตายในวันนี้ก็ยังชื่นใจหลับต า, ตาตายยิ้มต้อนรับต่อความตายเหมือนกับการตายนั้นจะทําให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่ดีของสวงสวรรค์ที่เราได้ทําไปแล้ว จิตใจมันสะวกสบายแม้แต่เวลาจะตายนั่นแหละเรียกว่าทรัพย์ภายในที่มันมียูพระนุ่มพระทรง์องค์จ้าที่สวนเมื่อกี้ท่านบอกว่ายศสรัทธาตทาคตเตอาจารสุปฏิทิตตาศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่วันไหวมีความเชื่อมั่นในพระตถาคตพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนของท่านที่ดีงามเชื่อมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เรียกว่ามีทรัพย์อันประ สีลันจะยสักลยานังอริกเกียกันตังประสั่งสิตังผู้ใดศินของผู้ใดงดงามเป็นที่สรและเิญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสาทรอยสัตธิอุชุภูตัณจะทัสสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ความเห็นของผู้ใดต้องอาทาลิโตติตังอาหะ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 เป็นที่พอใจที่เสริเสริญของพระอริยเจ้าอริยะไปว่าประเสริฐเป็นที่พอใจของคนดีของผู้ประเสริฐตัวเราเองจะรู้ได้เองเราควบคุมกายควบคุมวาจาค้องเราให้ปกติไม่เดือดร้อนไม่ไปก่อกรรมทาเค้นก่อเวรสร้างกรรมไม่กระทบกระทั่งใครด้วยกายด้วยวาจาใช้เราก็สงบ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 เรามีศรัทธาในพระสงฆ์ผู้ประพฤติคุนงามความดีพร้อมกันนั้นเราก็เป็นผู้มีความเห็นอันซื่อตรงอุชุภูตันจะทัศนงังอุชุแปลว่าตรงภูตะแปลว่าเป็นทัศนงังเห็นซื่อตรงต่อความเป็นจริงอะไรเล่าคือความเป็นจริงอนิจจงทุกครั้งอนัตตาความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้นานอาศัยเหตุปัจจัยแป่ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอนิจจงและยังเป็นอนัตตาไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับของใคร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 ผ้าจำนำพรรษาดีทายกผู้มีเหตุรีบร้อนขอถวายก่อนกำหนดเวลาปกติกำหนดเวลาปกติสำหรับถวายผ้าจำนำพรรษาคือจีบอลการนั้นกล่าวคือต้องผ่านวันปวนารณาไปแล้วเริ่มตั้งแต่แหลมคำหนึงเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงวันเพนเดเดือนสิบสองและผ้าการกรินแล้วนับต่อ น, นั้นต่อไปอีกก็ได้ หลังจากนั้นไปแต่ที่เรียกว่าผ้ารีบด่วนอเจกนนั้นพระพุทธเจ้าท่านอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษายอยู่เนี่ยยมจะรีบถวายผ้ารีบด่วนผ้าอเจกจีวอมมีพุทธานุญาตให้ภิกษุรับแล้วก็เก็บไว้ได้แต่ต้องรับก่อนวันปวารณาไม่เกินสิบวันคือตั้งแต่ขึ้นหก่ั้ไปขึ้นหกขําไปถึงวันสิบห้าขําเดือนสิบเอ็ด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 ในสมัยพุทธกาลพอออกพรรษาพระประสงค์องค์เจ้าจะแยกย้ายกันไปประเวณาแล้วก็ไปหาผ้าถ้าจําบรรษาเขผ้าโรค ก, ก็คนไปหาผ้าในคนละซอกละแขนละวาเอามารวมกันแล้วก็มาทําเป็นผ้าจีบอนเรียกว่าตะทีนอัฐริตรุงเอาผ้ามาขึงมาตัดใส่ไม้เอามาตัดเอามาขึงเอามาเย็บไฟไม้หมันเป็นจีบอนก็ได้เป็นสาบองก็ได้สังคาติก็ได้อันหนึ่งแล้วก็พร้อมใจอนุโมทนายกให้พระภิกษุรูปหนึ่งเรียกว่ากระหิน กระินสมัยโบราณไม่เกี่ยวกับโยมเป็นเรื่องของผ้าล้วนๆทีท่โยมก็เลยอย่างจะได้บุนรีบเอาผ้าเหล่านี้แหละมาถวายผ้าจำนำพันสาจะวายให้องค์ใดก็ได้เสร็จแล้วผ้าเหล่านี้เรียกว่าอเจกะจีบอลถวายได้อย่างรีบกวนพระออกพันษาจะรีบไปอย่างที่วัดของเรานี้เมื่อออกพันษาวันนี้พุ่งนี่มาลือนี่ทาง พี่น้องทั่วสารทิศ ท, ที่มีความศรัทธานในพระศาสนาก็จะมาถวายผ้ากระิ้นถวายสิ่งของนันเป็นบริวารกระินมีรลายแห่งโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงเก้าศูนย์เก้านี่ก็จะมาหวายเป็นสามขชีด้วยเอกเหมือนกันตามปกติที่วัดเราเอาวันสองคำ่ำเพราะหลังอย่างนั้นแล้วพระท่านจะไม่ได้เชื่องชาท่านจะรีบเก็บ พวกบอิคารนบาทจีวอเสร็จเรียบร้อยมีกฎมีบา ท, ทั้งก็จะพากันเดินไปสแสวงหาคบเสพเส น, สนาสนะป่าอันตระหงัดจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาปีนี้ก็เหมือนกันพอรับเสร็จฉลองสถายาติโยามด่างกระถินเสร็จพระสง์องค์เจ้า ก, ก็จะจักกันเป็นสีสายเดินตีวงโอบล้อม สี่สายนี่มีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปซ้ายละสิบ้ายละเจ็ดละแปดก็ว่ากันไปจับฉลากเสร็จใหแยกกันไปสายตะวันออกตะวันตกเชียงเหนือตะวันตกตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็สายสายตะวันตกสี่สายแล้วก็ไปรวมกันเป็นรูปวงกลมไปรวมกันศูนย์กลางที่หลังผูงัวแล้วก็ไปลงอุโบสถสามกีกันที่นั่นแล้วก็จะปฏิบัติธรรมกันอยู่ในผูนั่นอาจจะใช้เวลามาก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 เป็นหลอกความดันสูงเป็นหลอกอั ม, มา่านหลอกอัมพาพึกหลอกไตาวายเหมือนพันเอกเสนอจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบเป็นหลกอกหัวใจเอถ้าตายไปแล้วจะเอาโอกาสไหนมาทำบุญซุนตรรธานมันแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวจะต้องไปตกนรกและไปร้องโซหังโนนนะอิโตคันวาโยนิงรัฐานมนุษย์สิงห์เมื่อสัน วยบาทนี้คนเนอว่าท่านในผู้ขาได้เกิดเป็นคนคนจึงศีลทำบุญได้หลายเหตุอย่างใดแต่ตอนเกิดเป็นคนไม่ทำก็เลยต้องรีดทำมันตรงนี้กลัวจะตายซะก่อนก่อนที่วันจะออกพนฟ้าในวันนั้นยังเจ็บไข้ใดป่วยก็เลยทำอย่างนี้เรียกว่าเจกจีวอนเพื่อพ่อปูนศรัทธาเอาไว้เพื่อสร้างซักภายในเอาไว้หั้งอย่างนั้น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 ให้พระสองฆ์เจ้าอนุญาตให้รับอัจเจ ก, กจีบอลผ้าที่รีบด่วนก่อนจะออกพรรษาปรวรณาอย่างเหลืออีกสิบวันนี่เกินสิบวันคือตั้งแต่แรมหกค่ำตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่ขึ้นหกค่ำเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดถ้ามีทา ย, ยกจะถวายก็รีบได้ทําไมจง ถ, ถวายนี่แหละเรียกว่าผ้าอัจเจ ก, กัจีบอลที่รีบด่วนเพื่อเกื้อกูลเพื่อพ่อพูนศรัทธาดีอันหนึ่งละ่ะ วันนี้ท่านทั้งหลายได้มาถวายผ้าจำนำพรรษาเมื่อสี่ห้าวันก่อนอาจมาคิดว่าเออไม่มีใครคิดได้แต่พี่น้องชาวบ้านผุ้จาร์ไม่ทราบว่าจะรู้พุทธานุญาตของพระพุทธเจา้าหรือไม่ก็ไม่ทราบกลัวว่าวันนั้นเราจะมาไม่ได้แล้วก็อยากจะถวายทางบ้านด้วยอยากจะมาถวายทั้งนี้ก็เลยมาก่อน เราก็ได้รับกันไว้อันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนฉลองศรัทธาแล้วก็พ่อพูนศรัทธาเอาไว้ศรัทธานิยติศรัทธาพันธติปาไฐยะศรัทย่อมรวบรวมไว้ซึ่งสเบียงสเบียงอะไร ส บ, บียงของคนงามความดีถ้าจะเปรียบเทียบสบียงทางร่างกายก็เหมือนข้าบมาอาหารเราจะต้องกินข้าวปลาอาหารจึงจะมีเรื่ยวมีแรงประกอบหน้าที่การงานของเราสืบต่อไปได้ถ้าไม่มีอาหารกินเข้าไปแล้วร่างกายดีก็ไม่มีเรืย่ยมีแรงที่จะดําเนินชีวิตที่จะสร้างพนงานทําอะไรต่ออะไรได้ต่อไปไอนี่เรียกว่าสัทธานั่นแหละเป็นสบียงสัธาพันธติปัตยะ ถาทารวบรวมไว้ซึ่งสะเบียงทั้งหลายผูกพันเอาไว้ศรัทธาวิตังปุริสรัสเศธถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ท่านหลายลองคิดดูเรื่องศรัทธานี้สำคัญมากถ้าเรามีศรัทธาแล้วมีศรัทธาต่อสิ่งใดมันก็เป็นเหตุให้เราลงมือกระทำในสิ่งนั้น ห่วงนักเล่นการพนันมีสรัทาในการพนันมั่นใจจะได้เงินได้ทองในการพนันจะเลี้ยงชีพในการพนันได้นั่งเล่นให้โลได้ทั้งคืนยันสว่างไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวสูบบุหรี่อบปอดลมควันกันอยู่ทั้งคืนก็นั่งกันได้นั่งเล่นไพ่ดำมีได้ทั้งคืนยันระว่างนั่นแหละเรียกว่าสรัทาพันธติปาทายะสรทารวบรวมไว้ซึ่งเรียวเรียงแรงซึ่งซาเบียงให้นั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนให้นั่งเล่นการพนันได้ทั้งคืนพอมานั่ง สมาธิสิบนาทียี่สิบนาทีจะตายจะเป็นอมภ า, าตายให้ได้พลิกไปพลิกมาเหมือนถูกจับโยนลงไปในนรกเพาะไม่มีศรัทธาในการทําสมาธิพระทรงองค์เจ้าบวชมาแล้วไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยภาวนาอะไรเพราะไม่มีศรัทธาในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คืออะไรท่านดังไรมองให้ไกลคิดให้ลึกๆึ ก, กเหมือนคึกดิบคิดให้ลึกๆึกให้ละเอียดลงไป คนเราทําอะไรนั้นทําได้ด้วยศรัทธาศรัทธานอกจากจะเป็นทรัพทิะพุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วยังเป็นคุณธรรมอันประกอบไปกับคุณธรรมอย่างอื่นมากมายกายกองท่านทั้งหลายลองสังเกตดูถ้าหากเปรียบธรรมะนี้เป็นยาทำวิในนี้เป็นยาสารพัดประโยชน์แต่ละยานั้นจะต้องมีตัวยาประกอบ หลายชนิดรวมกันเข้าให้เกิดคุณภาพเพื่อเป็นการแก้ไขโรคนยียวยานต่อโรคต่างๆศรัทธานี่ถ้าเปรียบธรรมะเป็นยยกเป็นยาศรัทธานี่เนี่ยเป็นตัวยาสำคัญเป็นตัวธรรมะที่สำคัญธรรมะแต่ละหมวดละหมวดเนี่ย ตั้งแต่ขั้นโลกโลกธรรมดาจ้าต้องมีศรัทธาไปจนตลอดขั้นโล ก, กุตรละการปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเจริญสมาธิภาวนาสมถวิปัตนาจะต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาขั้นไร้ลองคิดดูสัพไายนนอกอริยสัพเริ่มต้นด้วยศรัทธาสิน้นต่อมาฮิริโอตปพภุมชจจคพะปัญญาแนี่ับไายนอกทีนี้จะหางมาดูสัพ ภ า, ภายนอกคือแก้วแหวนเงินทองซับภายในก็เก่าแล้วคือศรัทธาไปจนถึงปัญญาถ้าสูงขึ้นมามาถึงคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามันก็มีศรัทธาอีกมีศรัทธาในประพุทธประรมประสงค์มีสิน้นนี่สแสวงบุญในเขตป า, า, าสนาไม่สแสวงบุญนอกเขตพุทธปะปัญาไม่ถือมองคนเตือนข่าวมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาทางนั้นอุบาสกอุบาสิกา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 เมื่อมีกําลังแล้วก็อาศัยความเป็นใหญ่ที่เรียกว่าอินทรีย์เป็นแนวหน้าเป็นตัวเบิกช่องเปิดลองให้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อเนื่องและได้ผลรวดเร็วก็อาศัยศรัทธาเป็นอินทรีย์เป็นตัวใหญ่เป็นเฟคันตีสัทธินทรีย์วริยินทรียสมาธิ น, นทนรีย์นี่สตินทรียสมาธินทรีย์ปัญญทรีย์ขึ้นต้นด้วยศรัทธาเท่านั้นเมื่อมีความเชื่อมั่นใจ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 ตามสิ่งตั้งหลายที่มันเป็นจริงเข้าขเกิดปัญญาขึ้นเริ่มต้นโดยสัทธาเมื่อไม่มีสัทธามันก็ไม่มีความเพียรไม่ลงมือลงเรี่ยวลงแรงที่จะประพฤติจะปฏิบัติเมื่อไม่มีสัทธาก็ไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีความเพียรก็ไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาถ้ามีสมัทธาก็มีความภาคเพียร กระทำไม่เบื่อนายมั่นใจว่าทํำแล้วจะต้องได้ผลเดียวนี้ไม่มีศรัทธาแม้แต่บวชกันมาแล้วเป็นสิบปียี่สิบปีสี่สิบปีขี่เต็มฐานวิปัสสนใจไม่ศรัทธาเห็นว่าสมัยนี้หมดอายุแล้วโว้ยหมดสมัยมรรคผลนิพพานหมดสมัยพระ อ, อริยเจา้าหมดสมัยพระ อ, อรหันต์แหนแสดงว่าหมดศรัทธาเสร็จแล้วต้องมาสวดว่า สวาขาโตปะขาวตาทำโมสันทิิโกอาตาลิโกเอปัสโกโอปัญายิกโกปจตังเวทิจตโพวินจูหิเสร็จแล้วก็โกหกตัวตัวเองต่อไปมาไหว้พระพุทธสหัสามิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโลข้าปเจ้าเป็นท่าของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสรานเอื้อชีวิตของข้าปเจ้าวันทันโตหังเจริษามิพุทธเสวะตโพธิตังข้าปเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตาม ซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเาไปนั่นวันทันโตหังจริตสามิธรรมเตวสุธรรมตังไหว้อยู่จะประพฤติตามพระธรรมไหวอยู่จะประพฤติตามพระสงฆ์หมอบตายทาวไว้ชีวิตโวซื้อซื้อแต่ไม่ทำเพราะไม่มีศรัทธาบอกว่าหมดสมัยแล้วไม่มีพระอริยะเจ้าแล้วหมดสมัยมาผลนิพพานทําไปก็ไม่มีประโยชน์จะไปหาเห็ุเลยอยู่ไปกินไปวันวันหนึ่งกว่าแล้วไปเถอะเนี่ยนี่เราไม่มีศรัทธา เส็แล้วก็ไปสวดว่าสวาขาโกปกวัตาธรรมโมวะธรรมริปภมีภาคจ้าตัดไว้ตีแล้วสันทิตโกผู้ศึกษ า, า, าปฏิบัติพึงเทนได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้พ้นได้ไม่จำกัดการบ่มียามเบิดจักเถือแต่เราก็พูดอยู่พูดเฉยเฉยไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามนั้นเพราะเราไม่มีศรัทธา เมื่อมีสตามันก็ไม่มีความเพียรไม่มีความเพียรก็ไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาศรัทธาสําคัญมากรวบรวบไมไว้ซึ่งสเสบียงจึงกล่าวว่าศัทธาพันธติปาเถรญะณี่พระญาท่านพูดอย่างนี้วันนี้ท่านทั้งหลายมาพ่อพูนศรัทธาเหมือนพระหนุ่มเนนน้อยที่ท่านได้สวดเมื่อกี้สุดท้ายท่านรวบรวมความไม้ประมวลลงเป็นบทสรุปว่าตัศม า, ส, าสัพพัญจะสิลัญจะปาสทังธรรมทัศนัง อนุยุนเชธาเมธาวีสรังพุทธานศาสนังเพราะเหตุนั้นแรงเมื่อ ล, ละลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรพอกพูนศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นในธรรมให้เนืองเนืองนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์พวกนี้ขครป่นไปไม่ได้ท่านมีข้าวของเงินทองมากมาย ก, า, กายกองทรัพย์นันไปว่าเครื่องปื้มใจ ศรัทธานี่ทําให้ปลื้มใจศรัทธาวิตตังบริษัทศักดิ์สิถังศรัทธาเป็นเครื่องปลื้มใจเป็นทรัพย์อันเป็นเสดในโลกคําว่าทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มใจวิตตังเครื่องปลื้มเรามีเงินทองเราปลื้มใจมีรถคันใหม่ๆงามๆปลื้มใจมีบ้านหลังใหญ่ๆปลื้มใจมีเมียคนงามๆปลื้มใจมีผัวหลอๆปลื้มใจถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งปลื้มใจถูกเลขปลื้มใจนั่นเป็นทรัพย์ แต่ทรัพย์พวนี้นอกจากตู้ใจแล้วมันเป็นทรัพย์ซอโซไม่ฮันอากาศบ่อใบไม้ซออาซาซาบอทรัพย์รัพย์เอาความสุขให้เหือด ใ, ให้แห้งไปได้มาแล้วก็หึงห่วงกลัวจะแตกจะสลายจะพับจะพังจะล้มจะหายจะตายจะจากกันไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจมีเงินมีทองก็เป็นทุกข์เป็นโลกประสานมีลูกเป็นทุกข์เพราะลูกมีเมียมีผัวเป็นทุกข์เพราะลูกเพราะผัวเพราะเมียแต่ห่างลูกไม่ดีเมียไม่ดีผัวไม่ดี ลูกไม่ดีมันไม่เป็นลูกแก้วมันไม่เป็นทรัพย์อันประเสริฐของพ่อของแม่ถ้าลูกดีนั่นจึงเป็นทรัพย์อันประเสริฐของพ่อของแม่ลูกมีแต่ดมกาวสูดดมทินเนืรอกินเหล้าเมา ย, ยาสมเลรเทเมาพานเผาจิตใจพ่อแม่ให้เราร้อนเหมือนตกนรกมีแต่ไปก่อเวรสร้างตาพ่อแม่ตามไปแก่ไปไขไปเช็ดไปล้งอย่างนี้ไม่ใช่ลูกลอกลูกลอก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 เอาไปเอามากลากพ่อลากแม่ให้ตกนรกเอาไหลเอานาไปจำนองจำนองไปค้ายไปสู่ความไปสู่คดีเอาลูกออกมาจากคุกจากตารางอย่างนี้เรียกว่าลูกลูกหลอกลูกลากลูกเกาะลูกลกองสาราพัดมันไม่เป็นทซั์อันประเสริฐมันเป็นโซ่โซ่เมือฮันอากาศบอกไปไหมรัพย์บซั์เอาความสุขจากใจพ่อแม่แล้วก็ทรัพย์ความทุกข์เข้ามาใส่ใจพ่อแม่ ผั ว, วไม่ดีลากเมียให้เป็นทุกข์ใจจนเป็นโรคประสาทต้องกินยาระงับประสาทนอนเงินเดือนออกผัวมัวจะไปเล่นไพ่ไม่กับบ้านโรบุรีกินเหล้าหั ว, วาลาหน้ำไม่สนใจลกูกเมียจะเป็นอย่างไรเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการไม่คำนึงถึงหน้าที่กินเหล้าเมายาเมียเป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงกลัวเขาจะไล่ออกจากหน้าที่เป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยเมีย ไม่มีสินไม่มีทำไม่มีสรัพย์ภายในเมียไม่ดีนอกอกนอกใจพผัวเพอ่เมืออไล่ไปแล้วไปเที่ยวสนุกสนานคนโนอนคนนี้เอาเงินผัวไปเล่นการพานั้นเล่นไปไดำมงดำมีทาอย่างนี้มัดอะไรเป็นทรัพย์ มันเป็นทุกข์เลยกันทั้งนั้นเพราะเหตุเช่นนั้นแหละซับภายนอกนี้บางครั้งก็นำมาซึ่งความทุกข์เศรษฐีมีเงินมากๆต้องไปจ้างมือปืนแหนเป็นแถวเดนมันสุกใจที่ไหนมันเป็นทุกข์ใจด้วยซ้าไปแต่ซับภายในคือสถานี มั่นใจในคุณงามความดีที่ตนเองได้ทำมั่นใจในบาปบุญคุณต้อเชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทําแล้วสาบายใจตายเมื่อไหร่ฉันก็จะไปสู่พระโลกที่ดีที่งามที่จะทำไห้ดีงามนั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อจิตไม่เศร้าบอกแล้วจิตแต่สังกิริถเทสุขติปติกังขาทางที่จะไปอันดีงามนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลย ันดีสร้างคนงามความดีตายแล้วก็ยังพอใจที่จะตายคนทำชั่วเวลาจะตายกวนกวายดิ้นรนอารมณ์สุดท้ายมันบีบคั้นจิตใจเอนแต่กันชั่วดีตนเองทาเงินทองเข้าของจ้างไว้ไม่ได้พี่น้องเต็มบ้านเต็มเรือนมาหายใจช่วยไม่ได้มีแต่บาปบุญของคุณเองในที่สุดมันก็เป็นทุกข์จนตายตกนรกตั้งแต่อย่างไม่ตาย เพื่อนั้นศรัทธานี่สำคัญเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วย่อมนำสุขมาให้ย่อมสร้างแต่คุณงามความดีวันนี้ท่านดังไลยได้มาถวายพระอาเจกัจีวรรีบโดนเพื่อเป็นการพ่อพูนศรัทธากลัวว่าวันสุดท้ายเราอาจจะมาถึงอาจจะไม่มีโอกาสโดยเฉพาะศรัทธานี่าต่มาต่าไวไว้นะไว้หนาเชื่อแล้วเกินพู้ไเจ้าท่านสอนว่าศรัทธาเปิดนี้โจรป้นไม่ได้ ไม่เหมือนซรับภายนอกขํามาแล้วรีบนอนคนมีเงินมากๆาออกไปเที่ยวเดินตามถนนล้นแคมนอนไป่ไต่ตะลางไตทุนไม่ได้เพราะเป็นทุกข์กลัวเขาจะมาป้อนอย่างคนโบราณบอกว่าเจา้าผู้นอนในมุ่งสังมาหายยุงตัดเด่นอข่อยผู้นอนเปื่อยป้าสั่งมามียุงต้องสะกนยงกระยานเต็นสัมายืนตั้งเทียงของตะข่ํามากเมี่ยงสังเจ้าขับเบาไว้คองนักสร้างถือได้ไปมาโดยง่ายคําแพงเอ้ย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 คนที่มีทรัพย์ภายในมีบุญมีคุณสนได้ทําไว้แล้วมีศรัทธาทไว้แล้วสบายใจตายวันนี้ก็มีเศ้ามีแหงตั้งใจอย่างดีเราได้สร้างแต่คุณงามความดีไม่มีใครเกียใครชังจะนอนตรงไหนก็ได้ไม่มีใครมาป่นเอาศรัทธาไม่มีใครมาป่นเอาสินไม่มีใครมาป้นเอาฮีโอ่ตะปาจาระปัญญาป้นไม่ได้แต่นเห็นไมล่ะ นอนเปยปลาแซงบะมียุ่งตองสักญญัโยงขัยานเต็นสั้งมายืนหับบ่อไว้เดี๋ยวนี้ชีวิตมีอาการเหมือนกับจะวิ่งสักญญัโยงขัยานข้ามไปได้ยืนคืนไม่อยู่กลางคืนเป็นวันกลางวันเป็นไฟกลางคืนคิดกุ้มทั้งคืนกลางวันรีบทํา ง, งานเป็นไฟไหม้หัวกลัวจะไม่ทันสัญญาทํา ง, งานแข่งเวลาอยากจะได้เงินสักญญัโยงขัยานเต็นสัญญ้งมายืนตั้งเทียงของเราขําหมากเมี่ยงสั้งเจ้าห่า บ, บ่อไว้เต้นไปเต้นมาตายสั่าบ่อใดคือเขา ในหลายๆก็จะได้ทิ้งไว้ในโลกสังมัยืนต่างเทียงค้องกอข้ามหมากเมี่ยงสังเจ้าหับบะไว้เรื่องศรัทธาเรื่องศิลเรื่องความอายชั่วบัวบาปนาลกสวรรค์บา บ, บุญคุณโทษชาตินี้ชาติหนะ้าไม่หนักไม่นะไม่ต้อง เป็นต้องวิ่งคิดจะทําไปอย่างสาบายใจทําไม่ได้ของทอข้ามหมากเหีย่ยงสังเกาหากบวายของนักสั่งถือได้ไปมากโดยง่ายหาเงินหาของหนักหน่วงแล้วยังมันหนักบนหัวอีกนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทในที่สุดอยากจะรวยมากมาไปฝากธานาคารไว้อย่างไปฝากกับแช่แม่ชะม้อยกดทู ก, กงอ้าวเป็นโรคประสาทพ่อแม่ชะม้อยอีกแม่ชะม้อยมีเงินมากๆไปเข้าคุกตัดสินมาเป็นแสนแสนปีบ้า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 จะไปฝากธนาคารไหนธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยเกษก ร, กรไทยที่ไหนไม่ได้ออมสินไหนไม่มีใครรับไว้ยฝากสถาไว้เน่เดอ้ออย่าให้ผู้ข่าดีเมื่อสถาในสินในสมาธิในปัญญาในพระพุทธประธรรมประสง์ให้มั่นคงเป็นแก่นเป็นแกเนแกเป็นหลักเป็นฐานไม่มีใครรับประกันได้เพราะพุทธเจ้าก็รับประกันฝากไม่ได้พระอริยเจ้าอรหันก็รับฝากไม่ได้รับฝากเป็นธนาคารสถาไว้ไม่ได้ ต้องฝากไว้ในทนาคารใจบูถึงตรงนี้อาดมาก็นึกถึงเรื่องราวในพระไตรปิฎกพระพุทธญาณตัดสู่สูตรหนึ่งชื่อว่าสุ ป, ปวาสาสูตรในสุ ป, ปวาสาสูตรนี้อยู่ในอุทานวัคคุตกรใิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่ห้าสิบเก้านาทีเก้าสิบสามท่านเล่าเรื่องถึงผู้หญิงเล่าให้พับเล่าให้พระององค์เจ้าทั้งหลายฟัง แล้วมันเป็นเรื่องความจริงในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่อ่าปากุณพิธานวันใกล้พระนครกุณธยาในสมัยนั้นนางสุ ป, ปวาสาซึ่งเป็นลูกสาวของพระเจ้าโกริยะมีลูกเจ็ดปีแล้วก็มีคันหลงอยู่ถึงเจ็ดวันภาษาสำนวนพระไทยบิฎกฟังอย่างคันหลงเจ็ดวันคันหลงเนี่ยออกลูกฆ่านะ ออกลูกข้ามีหลวงในท้องเจ็ปีออกมาแล้วก็ยังข้ามันอยู่ดนผลมันตัวใหญ่อย่หรือจังไดข้าอยู่อีกเจ็ดวันตายแน่ๆก็เลยบอกผัวว่าพี่เอ้ยไปกาบพระผู้มีพระภาคเจ้าลงตรงกาบลงตรงเท้าของพระ อ, องค์แล้วจุ่มพิษฝากขอให้ พี่ในจงไปฝากว่าม่อมชั้นให้มากราบขอให้พระองค์จงทร ง, งเกษมพระสํารานมีพระชนมาายุยั่ยงเยือนนานเป็นที่พึ่งของหมู่มวลมนุษย์และปวงสัตว์ตลอดทั้งเทวดาทั้งหลายอยู่นานๆมอมชั้นตายแน่ แ, นแต่ศรัทธา ม, มากล้นในพระพุทธเจ้าตายก็ไม่เป็นไรขอให้พุทธเจ้ามีอายุยืนในสั่งสอนประชาชนต่อไปผัวก็ไม่ใจเจิดใจดําด้วยความบารถนาของเมียที่กําลังทุกลูกออกมาคาแต่สมัยนั้นคงไม่มีโรงพยาบาลไปผ่าไปดู ออกอย่างทำไมนี้ก็รีบไปกราบพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้ฟังว่าเมียผมเนี่ยมีลูกเจ็ดปีในท้องแต่คลอดออกมาแล้วก็มัคาอยู่ เจ็ดวันแล้วไม่รู้จะทำยังไงทั้งลกทั้งลูกคาอยู่ตรงนั้นก็เลยนางมั่นใจว่าจะตายแน่แต่มีความศรัทธานในพระองค์ก็ให้มากราบฝากกราบลงหลังเท้าแล้วก็จุมพิษบนหลังเท้าอวยพรขอพระองค์จงมีพระชนมายุยั่ยงยืนนานกเกษมสำราญเป็นที่พึ่งของเทพเจ้าเหล่ามามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นา น, านๆพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าขอให้ขันของนาง จงปลอดภัยเถิดโซทิคพัสสะกลับไปเถิดพานางดีแล้วผู้ทีเจ้าให้พอทางโง้องข้อพวดออกมาเลยด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพออกมาดีใจผัว ก, กลับมาอ้าวเมียบอกดีใจผัวบอกว่าพอไปกราบเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านอวยพรให้ท่านบอกว่าออก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 กลับไปกราบพระพุทธเจ้าข อ, อนิมนตให้ท่านมาฉันในบ้านของเราตลอดทั้งพระภิกษุสอ์มีเท่าไหร่นิมนตมาหมดสี่ร้อยห้าร้อยขอให้เราได้ทําบุญอย่างชื่นใจเราไม่ตายเพราะอํานาจแห่งพุทธานุภาพพมดเงินหมดทองจะตายก็ไม่ว่าขอให้ได้ทําบุญในครั้งนี้มีสถามากผัวก็กลับไปกราบพระพุทธเจ้าข อ, อนิมนพระพุทธเจ้าก็รับ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 ในเมื่อท่านรับของผมแล้วทำไมจะต้องไปถันของคนอื่นเล่าให้คนนั้นถาวายสีหลังได้ไหมให้ผมถาวายก่อนเธอผมก็รีบด่วนเหมือนกันพระมมโมคคัลลานะบอกว่าคนโน้รีบด่วนกว่าเป็นอัจเจกะฐานทานอย่างรีบด่วนเพราะนางอยู่รอดตายมาเจ็ดปีไม่ทราบว่าจะอยู่ไปได้อีกกี่วันนี้อยากจะทำบุญเป็นการรีบด่วนอ้าวท่านผู้เจริญแม้ผมเองก็รีบด่วนเหมือนกันผมก็จะตายเป็นเหมือนกันจะว่าทำไมแต่ผู้หญิงมีครันตั้งเจ็ดปี เอาอี้ก็แล้วกันเรามาต่อรองกันดีกว่าท่านจะรับประกันให้ผมได้ไหมผมจึงจะเปลี่ยนให้หนึ่งภายในเจ็ดวันนี้ชีวิตผมจะต้องไม่ตายสองทรัพสมบัติที่ผมมีอยู่จะไม่ต้องพินหน้าพ่อไฟพ่อลมพ่อน้ําท่วมพ่อถูกโจรป่นเ พ, พ่ออะไรต่างๆสามศรัทธาของผมที่มีอย่างมั่นคงที่จะถวายเนี่ยอยากให้เปลี่ยนแปลงไปภายในเจ็ดวันอยากให้มีเทวดามารผมมาชักจูงให้จิตใจผมหันเหะได้ไหม ถ้ารับประกันได้โอเคผมก็จะถวายทีหลังพรมโมกลานะอ่านขึ้นไปขึ้นมาบอกดูก่อนคือฮะบอดีอาตมาขอรับรองรับประกันได้สองเงื่อนไขตน้นหนึ่ง ชีวิตของโยภายในเจ็ดวันเป็นตายร้ายดีอาดามาจะเอาคอประกันรับรองจะช่วยให้ไม่ตายเพราะท่านมีฤทธิ์มากพระโมกัลลานเนี่ยมีฤทธิ์ถึงขนาดเอาหัวแม่เท้าสะกิดเวชยันปราสาทของพระอินจนมันไห้เอียงกระเทะเละบนสวรรค์ทำยังไงก็ได้ท่านประวับประกันไม่ให้ตายได้ภายในเจ็ดวันทรัพย์สมบัติของโ ย, ยมไม่ให้พินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ำท่วมเพราะโจรป่นภายในเจดวันได้แต่เรื่องศรัทธาของโยม อามารับประกันไม่ได้มันเป็นทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกยิ่งกว่าสิ่งใดโยมจะต้องรับประกันเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็รับประกันให้ไม่ได้เรื่องสัพหะเอาไปฝากธนาคารไหนได้เพราะเหตุ น, นั้นโยมรับประกันเองยะสัสหาตถาคตต้อง รักษาศรัทธาอันที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อระลึกถึงคําสั่งสอนของพระ อ, องค์แล้วให้พ่อพูนศรัทธาพ่อพูนสิงพ่อพูนความเพนธอันผูกต้องความเลื่อมใสให้ถึงพมคนอื่นรับรองให้ไม่ได้อาตมารับไม่ได้พอผู้อย่างนี้เสร็จ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 ก็เลยมาถาวายน้ำาวายข้าวกับพระคุยกับพระต้าเลยพระสารีบุตรก็เลยถามบอกนี่เนะี่ยพ่อหนุม่มบังลาคำหน่อยเป็นจังไดีหลายอยู่ในทองเจ็ดปีเมีเ่สบายบอกพ่อทอนใดบอกมีความสุขบอกเด็กน้อยบอกวา่าพ่อคุณเจ้าปู้เจริญโอ้ยสิทนใดจังไดบอกเเป็นตาอยู่ต า, ตาเกินยามันมันถูกมันยากอยู่ในเมือกในไขในเลือดพร้อมอากออกมาใจสิขาดตายแต่ออกมาไป นั่นน่ะพระพุทธเจ้าว่าทุกครั้งชาติปุณละปุรังเกิดทีไรเป็นทุกข์ลำไปพ่อเป็แม่ก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์อยู่ในท้องก็เป็นทุกข์คลอดออกมาก็เป็นทุกข์เจ็บปวดรั่วเล้าทั้งพ่อทั้งแม่แต่เราทั้งหลายก็ยังอยากจะเกิดสาทุกขอให้ได้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนตะวันด้วยคุณงามความดีที่ทําในวันนี้ถ้าทําชั่วก็ไปเกิดต่อไปในนรกหน่วนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นอสุรกายแต่พระอริยเจ้าไม่อยากเกิดไม่อยากตายนาพินันธานิมรนังชีวิตนี้ฉันไม่่ออยยาาาากตตนนพพิิิััมมชีวท้งไใจ ในชีวิต ท, ที่เป็นอยู่กาลันจะปฏิกังขามิฉันรอคอยเวลาที่จะมาถึงว่านิพพิสังกตโพยะถาเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นเวลาแล้วรับเงินไปพระอริยเจ้ารอคอยความตายมาถึงจะนั่งดูความตายเสื่อมไปสิ้นไปเหมือนคนดีๆนั่งดูตะเกียงมอดเมื่อมันหมดน้ํามันหลีรองหลีลองแล้วก็ดับไปสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะท่านไม่อยากอยู่ไ ม, ยยไม่อยากตายไม่อยากเกิดไม่อยากตายไม่มีชีวิตอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่และไม่อยากตายอันนี้เราทั้งหลายของ ฟังกันไม่ค่อยจะเข้าใจต้องมาปัะพืชสมาธิภาวนาให้จิตใ จ, จมีวิปัสนาเห็นเท่าทันสติอารมณ์อยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อเราหันอารมณ์อยู่ทุกเมื่อผัสสะที่มันเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเห็นมันสิ้นไปเสื่อมไปเป็นอนัตต า, าอย่างนี้เราไม่อยากเกิดไม่อยากตายที่นี่พระพุทธเจ้า ก, ก็ถามแม่ของเด็กเป็นยังไงนาง มีลูกเจ็ดปีคลอดออกมาคาอยู่ตั้งเจ็ดวันแต่ลูกอย่างนี้เธอยังอยากจะได้อีกไหมนางนี้บอกว่าลูกอื่นอีกเจ็ดคนดิฉันก็ยังอยากได้ถ้าหากเหมือนคนนี้ออกมาเดินย่องย่องทําบุญสุนตรทานตั้งแต่วันเกิดพูดคุยกับพระทรงองค์เจ้าอย่างนี้มีอีกเจ็ดคนกระเอบอยากใดนี่คือแม่พอใจถ้าลูกดีอยู่ในท้องเจ็ดปีก็ยังพอใจเจดคนเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าโห้ ปาณนั่นยังบ่ยานบ่ยานขันลูกดีขันลูกบ่เป็นตาสะแตกนี่โอ้ยก็เหมือนก้อนอุจจระที่เบ่งออกมาไม่มีประโยชน์แล้วมาเป็นโทษก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเอ้า